ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรุชิตอมาโรโเกิดวัดบรมนิวารจนาต่อไปก็จะเป็นการกล่าวถึงปฏิบัติสัตรธรรมถามว่าสิ่งไรเป็นปฏิปฏิสัตธรรม แก้ว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสามสิกขานี้ชื่อว่าปติปติสัตธรมรมศีลคือความสำรวมกายวาจาตามสิกขาบทบัญญัติได้แก่ปาติโมฆะสังวรศรีลซึ่งเป็นเชิดกะกศีลก็คือศีลอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐศีลที่เป็นพี่ใหญ่สำเร็จด้วยอริยสมมุต ก็คือการรู้พร้อมของพระอริยเจ้าวะดแก่การอุปสมบทด้วยยติจจตุกรรมวาจาสมมตินั่นเองและวิรัติความเว้นจากววจีทุจริตสี่กายทุจริตสามมิจฉาชีพหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าอาชีวธรรมกะศีลววจีทุจริตสี 4, ก็คือพูดปลดพูดสอเสียพูดคำยาพูดเพ้อเจอกายทุจริตสามก็ 3, คือฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดกรรมแล้วก็ มีชาชีพก็ได้แก่การเลี้ยงชีพที่ผิดมีการล่อลวงก็ยอหลอกลวงโดยประการต่างๆการวิรัติจากทุจริตเหล่านี้ก็เรียกว่าอาชีวัฒนมกัดศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แปดอันเป็นอาธิพรหมจริยกาสิกขาก็คือสิกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นของศาสนาพรหมจรรย์ด้วยทั้งมรรคพรหมจรรย์และก็ศาสนาพรหมจรรย์พรหมจรรย์ใหญ่ๆก็แยกออกเป็นสองอย่าง ก็คือมรรคพระประจันก็ได้แก่ศิ่งทวารทีปัญญานั่นเองส่วนสาสนะพระประจันก็ได้หลักคําสอนของพระสมาสมัสมมาสัมพทาทั้งหมดนั่นแหละก็สําเร็จด้วยสมาทานเจตนาก็ดีหรือว่าจะเป็นวิรัติก็ได้เป็นการสมาทานเจตนาก็ดีเพราะว่าการอบรมอริยมรรคหงษ์แปดนั้นวียรตีสามนั้นเป็นขณะอริยมรรคเกิดขึ้นแต่ว่าตอนปุปภาคืคอตอนอบรมเนี่ยวียรตีสามกับเจตนานั้นก็สลับกัน ความตั้งใจสมาทานศีลกับการงดเว้นเมื่อมีวัตถุที่จะให้งดเว้นอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของอาทิศลสิกขาในมักคิองแปเหล่านี้ชื่อว่าศีลสิกขาสมาธิคือความตั้งใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือกุสะเลกัคตาหมายถึงความที่แห่งจิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นกุศลอันเกิดขึ้นด้วยสมถกรรมฐานมีกสินบริกรรมและอสุภะบริกรรมเป็นต้น ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิเพราะว่าเป็นสมาธิแอบแนบแน่นในอารมณ์หรือเรียกว่าอัปปนาฌานเพราะเป็นของแอบแนบแน่นเพ่งอารมณ์มีกสินเป็นต้นอยู่ก็ดีและอุปจาราสมาธิซึ่งเป็นสมาธิยังไม่ถึงอัปปนาก็ดีชื่อว่าสมาธิสิกขาหรือว่าจิตตะสิกขาอัธิจิตตะสิกขาอันเดียวกันอัปปนาสมาธิก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นระดับฌานฌานหนึ่งสองสามสี่ จนอุปจาระก็เป็นสมาธิที่เฉียดชานยังไม่ได้ชานมีกําลังของสมาธิองค์ชานห้าเริ่มตากฏและแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะข่มนิวรนได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกับปฐมฌานปฐมฌานก็มีองค์ห้าก็คือวิตตกวิจารปีติสุกเอกะกะตาซึ่งแน่นแน่นไม่รับรู้อารมณ์อื่นแล้วแต่ว่าอุปจาระนี่ยังสามารถที่จะมีอารมณ์อื่นเขาแทรกหรือว่ามีนิวรนเขาแทรกได้เหมือนกัน ส่วนปัญญาความรู้เท่าสังขารคือนามรูปและปัญจขันธ์เป็นต้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนใช่ตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ใช่ตนเป็นอนัตตานะได้แก่วิปัสนาปัญญาตั้งแต่สัมมาสัญญาณจนถึงอนุโลมญาณพันต่ําลงมาก็คือนามรู ป, ประปฤกเชทิญาณวิปัสนาญาณที่หนึ่งแล้วก็ปัจจะยะปฤกเถหญาณวิปัสนาญาณที่สองแยกแยะนามรูปแล้วก็พิจารณารู้ปัจจัยกําหนดปัจจัย แต่ว่าโดยปกติแล้วตามบาลีเนี่ยท่านแสดงตั้งแต่สมมัช น, น, นัญจนกระทั่งถึงอนุรมยานจนวิปัสสนยานเก้าหรือว่าวิปัสนนปสนยานสิวิปัสสนยานเก้าก็เริ่มตั้งแต่อุทยพยัญายาก็มีการแสดงหลายในแต่ว่าเบื้องต้นเลยก็คือจะต้องมีญาตะปัญญาคือพิจารณาแยกแยะนามรูปพร้อมทั้งปักใจนะถ้าใครเข้าใจดีแล้วก็เริ่มสมมัชนัญได้เลยซึ่งเกิดขึ้นด้วยวิปัสสนากรรมฐานนั้นชื่อว่าปัญญาสิกขา ศีล ส, สมาธิปัญญาสามอย่างนี้ชื่อว่าศิกขาเพราะเป็นกิจการในศาสนาอันบุคคลผู้ประสงค์ความสิ้นทุกข์จะพึงศึกษาสำเนียกกระรมปฏิบัติตามศิกขาสัพน์นี้จะแปลว่าความศึกษาก็ได้จะแปลว่าธรรมชาติอันบุคคลพึงศึกษาก็ได้แต่ในที่นี้ต้องแปลว่าธรรมชาติอันบุคคลพึงศึกษาเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงศึกษา เร่กล่าวไตรศิกขาว่าเป็นปฏิป ต, ติสัธรรมนี้ข้อปฏิบัติอันเศษซึ่งเป็นอุปการะแก่ไตรศิขาคือวัดประเวณีอันพระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้ในวินัยขันธะมีบรรทชาขันธ์และอุโปโธสถาขันธ์เป็นต้นก็ดีและข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรมีอปันนากะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอันได้กแก่ อินเดรยาสังวรการสบรวมอินทรีหกโภชเนมตตันยุตาการรู้จักประมาณในโภชนะชากริยานุโยกก็คือปฏิบัติเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอและอริยวังสะปฏิปทาเป็นต้นก็ดีอริยวังสะปฏิปทาก็ได้แก่ข้อปฏิบัติอันเป็นวงของพระอริย์นะก็คือความมักน้อยสันโดษในปัจจยัยสามอย่างสามอย่างก็สอย่างนั่นแหละแต่ว่าท่านแสดง ความมักน้อยฉันโดดในจีวรบิดาบาเสียนาสนะแต่เปรออก็นที่รู้กันว่าถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องบริโภคยาถ้าป่วยก็ต้องบริโภคยาด้วยความมักน้อยฉันโดดเหมือนกันแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดียินดีในการจะเจริญกุศลแล้วก็ละอกุศลโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอริยะวังสสะปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นวงของพระอริยะ ข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นอันกล่าวว่าปัติปัติสัทธรรมด้วยเพราะเหตุนั้นพระอัคคคตาอาจารย์เมื่อท่านจะชีปะ้ปฏิปัติสัทธรรมท่านจึงกล่าวว่าเตระกะทุตังคะกุนาจุดระสะขันทกะวัตตานิดวาสีติมหาวัตตานิสีละสมาธิวิปัสนาติปัติปัติสัทธมโมนามะก็แปลว่า ทุดงคคคุณทั้งหลายสิบสาวัดทั้งหลายอันมาในวัดทขันตกะสิบี่มหาวัดทั้งหลายแปดสบสองศีลสมาธิวิปัสนาดังนี้เหล่านี้ชื่อว่าปติปติสัตยธรรมทุดงคคคุณสิสานั้นก็คือปังสกุลิกังคะองค์ของพิสุผู้ถือผ้าบางสกุลก็คือผ้าเปลือนฝุนทั้งหลายเตจีวริกังคะองค์ของพิสุผู้ถือผ้าไตรจีวรนสามผืนเท่านั้น ปินทะปาติกังคะองค์ของพิจูผู้ถือบินธบาตเป็นวัดสปตะธานาจาริกังคะองค์ของพิจูผู้รับอาหารบินธบาตตามลําดับเดือนไม่ข้ามเดือนไม่ข้ามหมู่บ้านเอกาสนิจกังคะก็องค์ของพิจูผู้ถืออาชนะเดียวจะนั่งฉันแล้วลุกขึ้นไม่ฉันอีกปัตตปินที่กังคะก็องค์ของพิจูผู้ฉันในบาตก็คือมีภาชนะเดียวไม่ฉันในอะไรเลยภาชนะขลุปัจฉาภักติกังคะก็องค์ของพิจุผู้ ภ้ามบินทบาทที่หลังก็คือเมื่อรับอาหารบินทบาตเรคิดว่าเลิกแล้วก็ไม่รับอีกหรือว่านั่งดนอาสนะแล้วก็ไม่รับอีกหรือว่าฉันอาหารแล้วถ้าฉันเสร็จหมดเรีย้อยแล้วก็ไม่ฉันอีกก็มีแบบเคร่งแบบกลางแบบหย่อนอุกฤษกลางหย่อนโสสานยกังขาองค์ของพิจูผู้อยู่ในป่าชา้าอารันยี่กังขาองค์ของพิจูผู้อยู่ในป่าเป็นวัดรุกขมูลิกังขาองค์ของพิจูผู้อยู่โคนไม้เป็นวัด อภโหกาติกังคะองค์ของพิจุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัดยถาสันธติกังคะองค์ของพิจุผู้อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดไม่เลือกนะครับไปที่ไหนก็จัดให้อย่างไรก็อยู่ในที่นั้นตามนั้นเนตัตชีกังคะองค์ของพิจุผู้ถือการไม่นอนอยู่ด้วยอรีบทสามก็คือยือนนั่งแล้วก็เดินเป็นวัดทุตองสิบสาม น, นี้เกิดแต่อริยาวังสะปฏิปทาก็คือเป็นข้อปฏิบัติ ที่เป็นวงของพระอริยะด้วยความมักน้อยสันโดษขัดเกลาร์ทั้งนั้นเลยขันธวัดสิบสี่นั้นก็คืออาคันตุกวัดวัดของพิสุผู้เป็นอาคันตุกะอาวาติกวัดวัดของพิสูจนเจ้าถิ่นจะ ต, นต้อนรับอาคันตุกะอย่างไรบ้างคำวิกวัดก็วัดของพิสูผู้มาอยู่ที่วัดคนอื่นแล้วเนี่ยเป็นอาคันตุกะมาแล้วเตรียมตัวจะไปเนี่ยนะหรือว่าอยู่ในวัดนั้นก็ตามแต่ว่าจะเป็นการิศที่อื่นก่อจะเอาถวัดจะจะต้องมีข้อปฏิบัติ เสนาสนะบอกคืนเสนาสนะแบบนี้ก็เรียกว่าคำิตรวัดอนุโมทนาวัดก็วัดของพิสูุผู้อนุโมทนานะจะต้องอนุโมทนาอย่างไรบ้างพระตักวัดก็วัดของพิสูจในโรงฉันจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรในโรงฉันบ้างปินดาปาตะจาริตวัรวัดในการที่จะต้องไปบินทบาทเวลาจะบินทบาทจะต้องมีข้อวัดอย่างไรนุ่งห่มเรียบร้อยรับบิณฑบาทมีมองชั่วแอกอย่างไรนี่ก็จะมีข้อวัด อารัญยิกวัดวัดของพิจุผู้อยู่ในป่าคนนี้ไม่ได้เป็นทุดงนะภรรยา ก, กับอารัญยิกังฆะที่เป็นทุดงองทุดองนั้นเรื่องหน้ของการสมาทานแต่ว่าอารัญยิกวัดนี้อันนี้เป็นข้อวัดที่เป็นคันธกะให้ไม่เอื้อเฟื้อมีอบับดในทุดงนั้นไม่มีอบัตดอะไรเสนาสนาวัอวัดของพิจุผู้อยู่ในเสนาสนะจะต้องปัดกวติดูแลอย่างไรบ้างชันตาคารวัดวัดของพิจุผู้อยู่ในโรงไฟ ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรในโรงไฟไม่ห้ามคันภิกษุเทระหรือว่าภิกษุใหม่ไม่ใส่ฟืนมากเกินไปอะไรพวกนี้วัดจกักรุติวัดก็หมายถึงข้อวัดในวัดจกุตีคือส้วมเวลาเข้าส้วมแล้วต้องทําความสะอาดอย่างไรบ้างมีข้อปฏิบัติอย่างไรนี้จะแนะนําไว้ให้อุปัชัยวัดก็วัดของอุปชาสัตวิหาริกวัดวัดของสัตวิหาริกอาจาริยวัด ก็วัด อ, อาจารย์อเตวัสิกวัดวัดของเตวัสิกจะต้องดูแล ก, กันอย่างไรระหว่างลูกศิษย์อาจารย์อุปชาของลูกศิษย์เหล่านี้อันนี้เป็นขันธกวัสสิบสี่ส่วนมหาวัดแปดสิบสองนั้นก็คือวัดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่พิจุตาริวาสิกะที่สุดที่อยู่ปริวดัดต้องมีงควาสำคัญที่สุแล้วอยู่ปริวดัดจะต้องมีข้อวัดต่างหาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้ามไม่ให้ยังกุลบุตรให้อุปสมบทจนถึงห้ามว่า ภิกษุผู้ปกตัดจงกลมอยู่ณแผ่นดินอยาจงกลมณที่จงกลมเป็นที่สุดซึ่งนับได้หกสิบหกข้อกับวัดที่พระพุทธเจ้าห้ามว่ายาอยู่ในอาวาสที่มุงอันเดียวกันกันกบด้วยภิกษุผู้ปาริวากิกะผู้แก่กว่าและด้วยภิกษุผู้มูลายะปฏิการสนาระหะก็คือควรแก่การที่จะต้องชัดข้าห า, าบาเดิมอยู่ปริวาสแล้วก็มีอาบาัคัญเศษเพิ่มนี่นะก็ต้องรื้อ ไม่อยู่ต่อแล้วต้องมีการตรวจใหม่ชัตก็หาบัตรเดิมแล้วก็อยู่ใหม่หรือว่าอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันกับภิกษุผู้มานัตตารหะผู้ที่อยู่ปเป็นว่าียบร้อยแล้วควรแก่มานัตผู้มานัานตตาจารีผู้ขอสมทานมานัตแล้วภิกษุสอ์ให้มานัตแล้วก็ประพฤติมานัตอยู่ผู้อัภปานารหะก็คืออยู่มานัตได้ร้อยแล้วควรแก่อัภปานภิกษุที่เป็นปริวาสิกับภิกษุจะไปอยู่ที่มุงที่บางเดียวกันกับ ทิศตุเหล่านี้ไม่ได้ก็นับได้อีกห้าข้อประสมกับของเก่าได้เจ็ดสิบเอ็ดข้อกับวัดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแก่ทิศตุอันสง์กระทําอุเคปัญญกรรมห้ามไม่ให้ยินดีสามิจิกรรมมีการไหวเป็นต้นแห่งทิกษุผู้ปกติตร์นับอีกหนึ่งก็คือทิศตุผู้ที่ต้องอบัตแล้วก็ไม่ยอมเห็นอบัตหรือว่าเห็นแล้วไม่แสดงคืนหรือว่าเป็นพวกมิฉาทิฏฐิ ตือแล้วก็ไม่ฟังบอกห้ามแล้วก็ไม่ฟังก็ให้สวดประกาศเรียกว่าโรงโอุเคปัญญกรรมยกออกจากหมู่กลายเป็นพิจูนานาสังวาสใจพวกนี้ก็ต้องไม่ยินดีในสามมิจฉกรรมของพิษุปกตตะถ้าไปยินดีก็มีโทษมีอบัติอีกข้อหนึ่งขับวัดมีอันห้ามไม่ให้โจทย์พิจูปกตตะด้วยศีลวิบัติเป็นต้นอีกสิบข้อสิบข้อกับอีกหนึ่งนี้เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับอีกเจ็ดสิบเอด จึงเป็นมหาวัด82มหาวัด82นี้เป็นของจะพึงประพฤติในการบางครั้งบางคราไม่ต้องประพฤติในการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงไม่นับเข้าในขันธกาวัด14ก็คือเมื่อเป็นภิกตุต้องอนุสังฆาทิเศษแล้วถึงจะมาประพฤติวัดเหล่านี้หรือว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วก็อยู่กรรมหรือว่าถูกลงโอเคพันยกรรมถึงจะมาประพฤติวัดเหล่านี้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นวัดปกติธรรมดาศีล ส, สมาธินั้นดังกล่าวแล้วแต่ปัญญาในที่นี้เรียกว่าวิปัสนาเพราะว่าท่านประสงค์ให้เห็นว่าไตรจิกขาซึ่งจัดเป็นปฏิปาติสัทธธรรมนี้เป็นโลกิยธรรมไม่เป็นโลกุตระธรรมเพราะว่าวิปัสนานี้ยังเป็นโลกยะอยู่นะวิปัสนาที่จะจัดเป็นโลกุตระก็ต้องโน่นแหละมักมักขยานกับผลญาณเกิดขึ้น อันนั้นถึงเป็นโลกุตระ น, นั้นก็จัดว่าเป็นปฏิเวธธรรมไปส่วนที่เป็นปฏิบัติสัทธรรมนี้เป็นโลกิยะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติสัทธรรมนี้ปฏิปฏิสัทธรรมนี้เมื่อประดิษฐานอยู่ในพระอริยเจ้าผู้มีสันดานอันบริสุทธิ์และกระยาณปุถุชนผู้มีสันดานอันซื่อตรงขอบด้วยปัญญาและอาศัยการลมบัติก็สมบูรณ์บริสุทธิ์ ปราศจากโทษคือสัตรรมปฏิรูปดังทองเมื่อประดิษฐานอยู่ในมือแห่งคนที่ซื่อตรงฉล า, าดดูรู้ของแท้และเทียมหรืออาศัยการณสมบัติด้วยก็สมบูรณ์บริสุทธดปราศจากโทษคือชาตะรูปปฏิรูปของธรรมเทียมปฏิบัติศัตรมนี้เมื่ออาศัยการแล้ววิบัติก็ไม่สมบูรณ์และอาศัยปุถุชนผู้มีสันดานไม่ซื่อตรง กอบด้วยอาคาระวะคือความไม่เคารพมากมุ่งต่อโลกามิตรก็เห็นแก่ปัจจัยสี่เห็นแก่ชื่อเสียงต่างๆก็เป็นของไม่สมบูรณ์บริสุทธิ์จิจักโทษคือปฏิปฏิสัทธธรรมปฏิรูปก็เกิดขึ้นดังพิกตุวัชีบุตรบัญญัติวัตถุสิทระการในการก่อนเช่นบัญญัติว่าเงินทองก็เป็นสิ่งที่สมควรรับได้ดื่มน้าสุราอ่อนๆที่มีสีเหมือนกับเท้านกพิราบก็ดื่มได้ ใช้ผ้านิสิธนะไม่ต้องมีชายก็ได้หรือว่าเก็บเกลือไว้ในภาชนะเอาไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นถ้าข้าต้มข้าวสวยไม่เค็มก็เอาไว้สมัยนี้ก็อาจจะเก็บซอสเอาไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสันนิธิเป็นอาบัติว่าก็บัญญัติกันว่าปฏิบัติได้เพราะเหตุ น, นั้นปฏิบัติสัทธธรรมเมื่อนาสำบสื่อกันมาสิ้นกาลนานจนถึงการบัดนี้เป็นเไหนจะไม่เสื่อมซามเศร้าหมองข้อปฏิบัติ ที่เป็นของเท็ดเทียมของปลอมที่ชื่อว่าสัทธาปฏิรูปก็เกิดขึ้นต่างๆ่ดังถือว่าเดินจงกรมอาบัตตกหมดอันนี้ก็เข้าใจผิดจะเดินจงกรมก็ไม่เกีย่ยวเรื่องของวินัยเมื่อยังไม่ได้แสงอาบัติสาบัติก็ยังคงค้างคาอยู่นั่นแหละหรือว่านานๆอยู่ปริวาสมานณสียคราวหนึ่งชำระตัวให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นประเพณีเพราะว่าการอยู่ปริวาสมานัณนี้ ต้องมีอาบัติสังกาธิเศษจึงจะอยู่ปริวาสมานัณได้เมื่อต้องอาบ <สา S 1> ัติสังการทีเศษแล้วปกปิดไว้จึงอยู่ปริวาสถ้าต้องอาบาา<ส>าาัติสังการทีเศษแล้วก็เปิดเผยโดยทันทีก็ไม่ต้องอยู่ปริวาสจะอขอมานัณแล้วก็อยู่มานัณแล้วก็อภานเลยแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติก็ไม่รู้ว่าพอถึงประเพณีออกบรรษาแล้วก็ไปอยู่ปริวาสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเกิดสงทํากรรมให้แล้วไมนได้สืบสวนอะไรเลยนี่ก็มีโทษด้วยเพราะว่าเป็นวััตตถุวิิบ ผู้ที่ไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาฏิแล้วไปให้ปริวาสเป็นวัตถุวิบัติกรรมนั้นก็เป็นกรรมวิบัติใช้ไม่ได้รู้อยู่ไปทำก็ต้องอาบัติด้วยและการปฏิบัติอย่างอื่นๆในทางศีลก็มีอยู่มากและถือว่าบริกรรมอสังวิสุโลปุสสะภูพะชื่อว่าเจริญพุทธคุณก็ดีและอัญเชิญพระปีติห้าและตั้งใจไว้ที่ตรงอกเป็นต้น แล้วบริกรรมว่าอารหังอารหังไม่รู้อธิบายว่าอะไรแล้วเห็นสีต่างๆสำคัญว่าพระมาโปรดแล้วถือว่าสำเร็จในภูมิสมาธิเท่านี้และปฏิบัติในสมาธิและปัญญาที่ผิดอย่างอื่นๆที่หยาบและละเอียดกว่ากล่าวนี้ก็มีอยู่มากสมัยนี้ก็มีข้อปฏิบัติมากมายผุดขึ้นมาหลายสำนักหลายที่หลายทางมากเลยซึ่งถ้าไม่อศัย พระปริยัติมาเทียบเคียงนี่เราก็ไม่รู้เลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างอ้างผลตัวเองทั้นเลยว่าเมื่อไปไปฏิบัติแล้วก็จะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้มีความสุขทําให้มีสติทําให้มีสมาธิทําให้เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่างๆแต่ว่าไม่ได้เทียบเคียงเลยว่าคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าอย่างไรมีแต่ว่าประตบประการจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ผู้เป็นเจ้ารักที่หรือว่าเป็นผู้ที่นําข้อปฏิบัติมาสอนมากราบางท่านก็อ่านพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่า ก็ไปตีความเองไม่ได้เอาอาจารย์อาจารย์เพาไปเข้าใจว่าก้าอาจารย์อาจารย์เป็นคนรุ่นหลังที่เขียนขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะลองพิจารณาสักหน่อยหนึ่งว่าท่านพระอกาจารย์ในรุ่นหลังๆแม้กระทั่งถึงพันปีเนี่ยเช่นท่านพระพุทธโคษาจารย์เป็นต้นเนี่ยระหว่างท่านพระพุทธโคษาจารย์กับระหว่างอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้คิดว่าใครน่าจะมีปัญญามากกว่ากันการที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์เรียบเรียง รวบรวมอัตถกาถาทั้งหลายในครั้งก่อนตั้งแต่ท่านพระมาหินเถระในสมัยพระเจ้าโศกก็ดีหรือว่าพระมาหาคสปะในสมัยสังคยานาครั้งแรกก็ดีรวบรวมแล้วก็มาจัดเรียบเรียงให้ย่นย่อตัดทอนสิ่งที่ซ้ำซ้ำกันออกแล้วก็ให้มาเป็นแบบแผนแบบอย่างจะเข้าใจว่าท่านไปเขียนไปแต่งขึ้นเองเราก็ไม่เชื่อถือแต่ว่าไปเชื่อถือท่านอาจารย์รุ่นหลังๆที่มีข้อปริบัติี่แตกต่างจาก หลักคำสอนอัจฉิยะต่างๆมากมายอันนี้ก็น่าจะพิจรารณาดูใครจะยึดถือบุคคลหรือว่าใครจะยึดถือตามหลักคําสอนอันนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ปณิสัยแล้วแต่การสั่งสมสติปัญญามาแต่ว่าในที่สุดก็จะต้องพิจารณานะว่าเจริญด้วยสีนสมาธิปัญญาแล้วก็ทําให้มั่นคงในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจรารณาจะได้ช่วยกันไม่ให้ศาสนาเน้นเสื่อมถอยลงมากกว่านี้เพราะว่าบางท่านก็รู้สึกว่า เน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลในจิตใจโดยที่เป็ น, นเน้นในเรื่องของหลักคําสอนว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะสืบทอดไปได้ยาวนานแค่ไหนถ้ามีการแนะแนวทางในการปฏิบัติส่วนเดียวหรือว่าในขอบเขตจํากัดสูตรเดียวค่อปฏิบัติหนทางเดียวกับการที่จะนําคำําสอนพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว้างหลายแพร่หลายแล้วก็สำหรับทุกอัตยาสายเลยเนี่ยมาบอกกล่าวโดยที่ไม่ปิดบงังไม่ปิดกั้น เพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่สําหรับคนยุคนี้ก็ควรจะต้องขโมดให้สั้นให้ย่อสําหรับการปฏิบัติธรรมะอันนี้ก็ต้องพิชชาดูว่าอันไหนจะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมากกว่ากันเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้สแสวงหาปฏิปฏิสัทธธรรมที่จริงที่แท้พึงทําตนให้เป็นคนซื่อตรงสแสวงหาในปริยัติสัทธธรรมที่จริงที่แท้เถิดก็คงจะรู้จะเห็น ท่านพระอมโรเกิดอนี้ท่านก็เคารพในพระธรรมคําสอนมากในอาศัยปริยัติธรรมนั่นแหละเป็นมูลเพราะว่าถ้าคนที่ทิ้งปริยัติธรรมแล้วก็ไปใส่ความคิดเห็นของตนเองหรือว่าเชื่อบุคคลอื่นอันนี้ก็มีโอกาสในการที่จะออกจากพระสัจธรรมได้ง่ายมากเลยอันหนึ่งถ้ามีความเครื่อแคลงสงสัยในข้อปฏิบัติและปริยัตบางแห่งแล้ว ก็เพึงตัดสินด้วยโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนนางประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าดูก่อนนางโคตมีท่านถ้ารู้ทำทั้งหลายใดว่าทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อสราคะคือความกำหนดย้อมใจไม่เป็นไปเพื่อวิราคะความคลายกำหนัดฟอกใจและเป็นไปเพื่อสังโยคะความประกอบไว้พร้อมด้วยทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อวิสังโยคะความประกอบปราศจากทุกข์ และเป็นไปเพื่ออาจยะความสังสมกระทำขึ้นซึ่งวัตตะไม่เป็นไปเพื่ออาปัจยะความไม่สังสมกระทำขึ้นซึ่งวัตตะและเป็นไปเพื่อมหิชตาความเป็นผู้มีความอยากอันใหญ่หลวงไม่เป็นไปเพื่ออับปิจิตาความเป็นผู้มีความอยากอันน้อยและเป็นไปเพื่ออาสันตุติความไม่สันโดษยินดีด้วยวัตถุอันมีของตน ไม่เป็นไปเพื่อสันโดษยินดีด้วยวัตถุอันมีของตนและเป็นไปเพื่อสังคณิกาความเป็นคนนับพร้อมเกี่ยวข้องในมูไม่เป็นไปเพื่อปวิเวะความสนับจากมูและเป็นไปเพื่อโกศชะความเกียดคร้านไม่เป็นไปเพื่อวิริยารมพระความปารบซึ่งความเพียรและเป็นไปเพื่อทุพภรตาความเป็นคนอันผู้อื่นเลี้ยงด้วยยาก ไม่เป็นไปเพื่อสุภะตาความเป็นคนอันผู้อื่นเลี้ยงด้วยน่าเมื่อท่านถ้ารู้ดังนี้แล้วใส่ดูกอนโคตมีท่านพึงทรงไว้โดยส่วนอันเดียวเถิดว่านั่นใช่ธรรมนั่นใช่วินยัยนั่นใช่สัตตนะุศาสนาคาสอนแห่งพระาศาสดาก็คือคาสอนแปดข้อเหล่านี้ให้รู้ว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่วินยัยแล้วก็ไม่ใช่คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูก่อนนางโคตมีถ้าท่านรู้ทำทั้งหลายใดว่าทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดฟอกใจไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจและเป็นไปเพื่อความประกอบปราศจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประกอบไว้ในทุกข์และเป็นไปเพื่อความไม่สั่งสมกระทําขึ้นซึ่งวัตต์ไม่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกระทําขึ้นซึ่งวัตต์และเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีความอยากอันน้อย ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีความอยากอันใหญ่หลวงและเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยวัตถุอันมีของตนไม่เป็นไปเพื่อไม่สันโดษเป็นไปเพื่อปะวิเวกความสงัดจากหมู่ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนมีความนับพร้อมด้วยหมู่คือการคุกคลีและเป็นไปเพื่อความตารบซึ่งความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเกียรครานและเป็นไปเพื่อความเป็นคนอันผู้อื่นเลี้ยงด้วยง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนอันผู้อื่นเลี้ยงด้วยยาก ดูก่อนนางโคตมีท่านพึงทรงไว้เถิดโดยตัวเดียวว่านั่นธรรมนั่นวินยัยนั่นสัตตุศาสนระ์คำสอนแห่งพระศาสดาธรรมะแปดข้อนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขโตวาดนี้เป็นแบบสําหรับตัดสินสัตธธรรมที่จริงที่แท้และสัตธรรมปฏิรูปก็แลปฏิปฏิสัตธธรรมนี้แปลว่าสัตธธรรมคือความใต่ไป ดำเนินไปไต่ก็หมายถึงว่าเป็นการก้าวหน้าไปไต่ไปดําเนินไปด้วยว่าไตรสิกธาเป็นทางแห่งพระนิพพานเมื่อกุฎบุตรศึกษาปฏิบัติตามก็ชื่อว่าไต่ไปดําเนินไปตามทางพระนิพพานก็แลปฏิบัติสัทธรรมนี้เป็นของอาศัยเหตุภายในคือศรัทธากับปัญญาสองประการเกิดขึ้นสมบูรณ์บริสุทธิ์ดารงอยู่ ตัติปติสัตธรรมกถาจบสำหรับปรยิยสัตธรรมนั้นก็อาศัยเหตุภายในคืออุสาหะกับปัญญาต้องขยันบันเพียนด้วยต้องมีปัญญาด้วยจึงสามารถที่จะศึกษาพ ร, าะระประยิยสัตธรรมได้แต่ว่าอาศัยเหตุภายนอกก็คือกาลรรสมบัติยุคสมัยนั้นก็ดูว่ายุคสมัยนั้นมีความศรัทธาต่อปรยิยสัตธรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไปมุ่งปฏิบัติสัตธรรมโดยที่ไม่ศรัทธาในปรยิยตแล้วอันนี้ก็น่าอนาถหน่อยเพราะว่าไม่มีเครื่องเทียบเคียม แต่ว่าสำหรับปฏิปฏิสัตธรรมนั้นก็อาศัยเหตุภายในก็คือศรัทธากับปัญญานั้นต้องมีปัญญาจากการที่ได้เรียนรู้ปริยัตมาแล้วด้วยแล้วก็มีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติธรรมเพราะว่าศรัทธานั้นจะเป็นเหตุใกล้ของโยนิโสมนัิการเมื่อมีศรัทธาจริงๆก็จะน้อมไปในการที่จะโยนิโสมเป็นการปฏิบัติธรรมะก็จะทําให้เกิดสมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์กำรงอยู่ต้องมีทั้งศรัทธาต้องมีทั้งปัญญาด้วย อันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็จะไว้สอในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ขอยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาพร้อมทั้งอุตสาหะพร้อมทั้งปัญญาในการที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วก็น้อมนําไปในการที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะได้เกิดอภิคมสัจธรรมต่อไปอาจจะเป็นชาตินี้หรือว่าชาติต่อต่อไปซึ่งจะได้กล่าวถึงในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ทุกท่านสาธุสาธุสาธุ